อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงของรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกอากาศจากกรุงเทพมหาคนครด้วยขนาดคลื่น 92.5 เมกะเฮิร์และในระบบเอ<ม>นะคะส่วน AM ก็891กิโลเฮิร์ค่ะเริ่มเปิดสถานีทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้อนรับอรุณให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทั่ทวประเทศ รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์อีก1 0 0อ่กว่าสถานีนั้นก็จะรับสัญญาณเสียงของรายการธรรมรับอรุณเพื่อที่จะนำแง่คิดดีดธรรม ด, ดีให้ทําผู้ฟังทางบ้านได้เริ่มต้นวันในทุกๆวันเสมอมานะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้เป็นช่วงของการที่เรนจะได้มีโอกาสมาทาหน้าที่แนทนนผู้ฟัง ในการที่จะมากราบเรียนสนทนาธรรมะหรือที่เรียกกันว่าสากฉาซักถามข้อความต่างๆแทนท่านผู้ฟังจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหาโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในสาวันนี้เป็น วันเสาร์แรม9ก่าาเดือน12ปีเถาะนะคะวันนี้เป็นวันที่19พฤศจิกายนค่ะก็ล่วงเลยมาถึงประมาณเลยกลางเดือนพฤศจิกายนเข้ามาแล้วนะคะค่ะในเช้าวันนี้ก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุตรหรือพี่พูนโนแล้วก็มาฟังท่านสาขาในหัวข้อที่ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งท่านที่ประสบอุทกภัยเองเกิดขึ้นกับตัวเอง หรือว่าได้ยินข่าวคราวนี้หรือว่ามีน้ำใจที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้พี่น้องคนไทยของเราในผู้ประสบอุทกภัยเสมอมานานเนี้ยนะคะก็คงจะได้รับฟังแล้วดิวฉันเชื่อมั่นว่าต้องมีแง่คิดที่ดีค่ะก็คือเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ใจเป็นสุขนะคะระยะนี้คิดว่าคงยังจะมีอีกหลายพื้นที่ค่ะ ที่ยังมีเรื่องของประจน์เกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่ยังลด ร, ระดับลงอย่างน้อยอยู่หรือว่ายังคงจะต้องย่าน้ํากันอยู่นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกยากหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่เนื่องจากภัยธรรมชาติครั้งประวัติศาสตร์นี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้มสักการพระอาจารย์ไปบุญอภิปุนโนกันเลยดีกว่านะคะเราจะได้เริ่มสกักการะกันเลยค่ะกราบน้มสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าข า, ร า, เ, า, ขาเรือพรสาทูเจ้าค่ะ ยมก็อยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโ น, โนนะเจ้าค่ะได้พูดคุยให้ทั้งมู่ฟังทั้งบ้านได้รับทราบาเกี่ยวกับเรื่องของใจเราเนียเจ้าค่ะในช่วงที่ภาวะที่เร า, าเผชิญรวมทั้งที่ท่านที่มีประสบการณ์ตรงนะเจ้าคะในการที่ได้โดนอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์อันร้ายแรงของเราในรอบ50ปี60ปีนี้เจ้าค่ะรวมทั้งท่านอื่นๆที่ไม่โดนด้วยแต่ว่าพลอยอ เครียดกันไปทั้งประเทศนี่นะเจ้าคะเราจะทำะวางใจเรายัางไงจะได้เป็นสุขเจ้าคะ่ะทั้งเกี่ยวกับเรื่องของอคนที่ประสบเองไม่ได้ประสบนะเจ้าคะหรือว่าแม้แต่คนที่เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะเจ้าคะ่ะกราบนิมนต์เจ้าคะ่ะ เ, เรื่องของการที่เราจะได้รับความสุขความทุกข์เนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของจิตของเรานิดหนึงซะก่อน ย่งจิตของอดตมาเองเนี่ยนะหรือว่าของคุณเตือนใจหรือว่าของท่านผู้ฟังจะเป็นคนภาคเหนือภาคกลางผิวขาวผิวดําเป็นแขกเป็นเป็นยูเป็นอะไรทุกชาติทุกศาสนาเนี่แหละการทํางานของจิตเนี่ยจะเหมือนกันนะคือเราจะรู้สึกมีความสุขความทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเห็นภาพก่อนเห็นภาพได้ยินเสียงลิ้นลิ้มรสใจมีการสัมผัสกายไปสัมผัสสิ่งโน้นสิ่งนี้นั่นคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ นะมีความสัมผัสต ร, ตรงนี้เกิดขึ้นนะเรามันจะมารวมกันที่ใจเราในะสมมติตาเราเห็นรูปเนี่ยจิตเราก็จะเข้าไปรับรู้ด้วยหูเราได้ยินเสียงจิตเราก็จะเข้าไปรับรู้ด้วยเนะพราะฉะนั้นมันจะไหลมารวมกันที่จิตทั้งหมดใช่หมเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขหรือความทุกข์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่จิตนะอย่างตาเราอย่างเงี้ยมันจะไปไม่รู้สึกมันจะไปรู้สึกสุขทุกข์ไม่ได้เนื้อเหมือนย่งกล้องถ่ายรูปอะ กล้องถ่ายรูปเนี่ยจะถ่ายรูปที่มันสวยงามออกมามันก็สวยถ่ายรูปที่หยาบสกปรกไปถ่ายอุจจาะอย่างเงี้ยมันก็ออกมาหน้าเกียดไปถ่ายคนสวยคนงามคนหล่อคนสวยก็ออกมาสวยใช่ไหมหรืออย่างโทรศัพท์เนี่ยเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาฟังเสียงถ้าเสียงอีกฝ่ายหนึ่งด่าเราเนี่ยอุยเราจะรู้สึกไม่ดีอย่างมากๆเลยแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามนะพูดดีกเราชื่นชมเราทุกอย่างไม่รู้จริงไม่รู้เท็จล่ะแต่เป็นคํำหวานๆซึ้ ง, งๆเราก็ชอบ ฟังมางนะทางโทรศัพท์เนี่ยอหรู้สึกโทรศัพท์ีดีๆนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับโทรศัพท์มันไม่ได้เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปนะแต่มันเกี่ยวกับจิตที่รักของเราท่านน้อย่งมันไหลมารวมที่จิตนะ อ, อ, อย่างตาของเราจะไม่ได้เป็นส่วนที่มารับรู้ความสุขความทุกข์หูจมูกลิ้นกายของเราจะไม่ได้เกี่ยวมารับรู้ความสุขความทุกข์แต่ทั้งหมดเนี่ยจะไหลไปรวมอยู่ที่ใจถูกไหมอันนี้คิดว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะ หรืออีกตัวอย่างหนึง่งอย่างเช่นว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือบางคนฟังข่าวอย่างเงี้ยฟังข่าวน้ำท่วมอ่ะโอ้โหใจจดใจจ่อวันนึงดูห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงดูช่องนี้แล้วก็เปลี่ยนไปดูช่องนั้นแล้วมาฟังวิทยุต่ออีกว่าข่าวมันจะเป็นยังไงมันข่าวเดิมมันแหละนะพอฟังไปฟังไปฟังจนมีใจจดใจจ่อมากอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งแม่เรียกหรือว่าสามีเรียกภรรยาเรียกคนใกล้ตัวคนที่บ้านเรียกเนี่ยไม่ได้ยินไม่รับรู้เลย ใจจดใจจ่ออยู่ที่ขาอย่างเดียวทั้งที่หูเนี่ยมีเสียงมากระทบถูกแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่เข้าไปรับรู้เสียงนั้น <c oughs> จึงไม่สามารถได้ยินเสียงนั้นได้ทั้งที่เขาต้องเรียกทั้งที่สามั้งที่สีจนกระทั่งครั้งที่ 8, แปดถึงเราถึงจะพึงใจได้ยินว่าให้มาทำอะไรทำอะไรได้ยินชื่อตัวเองแต่ว่าจิตของเราเนี่ยใจจดใจจ่ออยู่ทางตาอย่างเดียวเราไม่ได้ไปฟังเสียงคนเรียก หรือว่าแม้แต่เราไปฟังดนตรีอย่างเงี้ยถ้าเราไปฟังดนตรีที่เป็นอ่าเป็นคณะเป็นวงเนี่ยเขามีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นเล่นอยู่เนี่ยเราจะเลือกฟังแต่ไวโอลินก็ได้เราจะเลือกฟังแต่เปียโนก็ได้เราจะเลือกฟังแต่อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ตั้งแที่เสียงมันมาพร้อมกันหมดนะอันนี้คือจิตของเราเนี่ยละเอียดมากในการที่จะเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเรารู้ละว่ามันเป็นอย่างนี้ ว่าจิตของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปรับรู้ความสุขความทุกข์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสุขทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันอยู่ที่ใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นสมมุติอย่างเช่นคําพูดที่เรียกว่าอไอ้หมูไอ้หมาอย่างเงี้ยถ้าเราไปเรียกเด็กน้อยเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยเรียกไอ้หมูไอ้หมาอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับเป็นการอเอ็นดูน่ารักน่าเอ็นดูเขาถูกไหมอย่างคําอีสานหรือคําภาคกลางต่างๆก็จะมีคําเรียกยนะ เด็กเล็กๆในลักษณ ะ, ะที่เป็นลักษณะนี้ฟังดูมันก็น่ารักใช่ไหมแต่ถ้าใครเอามาเรียกรเรานะเป็นผู้ใหญ่แล้วไปเรียกผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเธอไอ้มัวไอ้หมาอุย้ยมันกลายเป็นคาําด่าชนิดที่เรียกว่าโว้ยทำํำไมฉันเจ็บฉันโกรธทีเดียวแล้วแสดงว่าคําคําเดียวกันเนี่ยไปเข้าจิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็สุขทุกข์ไม่เหมือนกันอีกนะอย่างเรื่องน้ําท่วมเรื่องเดียวกันเนี่ยไปเข้าหูของผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่ที่เขามีทรัพย์สมบัติมากเจ้าของโรงงานอยู่ใน นี่คมอุตสาหกรรมถูกน้าท่วมหมดโอ้โหเป็นทุกนอนเอาเท้าไกา่น้ำผักนี่ก็ยังเหงื่อแตกอยู่ไม่รู้ทำไงต่อไปแต่ถ้าเอาข่าวน้ํำท่วมเนี่ยไปให้เด็กนักเรียนนะฟังนักเรียนพบว่าต้องเลื่อนเปิดเทอมไปอีกหนึ่งเดือนโอ้โหดีใจสุดขีดอย่างนี้เป็นต้นก็มีแต่ท า, ทางที่ข่าวเดียวกันะนะแต่สุขทุกขนี่คนละเรื่องกันเลยแสดงว่าความสุขความทุกนี่มันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันไม่ได้เป็นปัจจัยภายนอกอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยข่าว น้ำท่วมเป็นต้นเนี่ยต้องทำให้ทุกคนทุกข์สิไม่เกี่ยวเลยแล้วนะข่าวน้ําท่วมเมืองไทยคนญี่ปุ่นเขาไม่ทุกข์ไปด้วยนะคนอเมริกาเขาไม่ได้ทุกข์ไปด้วยเขาก็รับฟังเฉยเหมือนอย่างตอนพายุใต้ฝุ่นคราติน่าที่เข้าพัดอเมริกาเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ฟังข่าวแต่เราไม่ได้รู้สึกทุกข์กับเขามากเท่าไหร่นะที่ซึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็ฟังข่าวแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์กับเขามากเท่าไหร่จนกระทั่งบ้านเราถูกน้ําท่วมเอง นะหรือว่าน้ำมันมาจาะอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเราแล้ ว, ลวนะตั้งเขื่อนไว้แล้วมันยิ่งทุกขนะ์หนะักเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับภายนอกไงถ้าเป็นงั้นน้ําแบบเดียวกันนะมันจะต้องทําให้ทุกคนทุ ก, ท, กทุกเหมือนกันนะแต่น้ําที่ออกมาจากท่อเป็นน้าําใสๆเราดื่มกินได้เอ๊อันนี้กับดีน้ําในขณะเดียวกันอยู่ข้างนอกเป็นน้ําเน่าๆน้ําเหม็นๆ เ, เอ๊เราบอกว่าไม่ดีแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกมันอยู่ที่ใจของเราคือคนที่ไม่ได้ฟังธรรมคุณเตือนใจจะไม่รู้ข้อมูลนี้ไง เขาก็จะไปเที่ยวเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกไงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดนะัต้องเป็นอย่างนั้นมันจึงมีความทุกข์มากขึ้นไปคูณ2เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการให้เป็นมันไม่มีทางเป็นอย่างที่เราต้องการเหมือนอย่างอาตมาจะยกตัวอย่างอย่างไรดียเราสมมติเราไปเข้าไปร้านข้าวหน้าไก่เนี่ยเราไปสั่งอาหารมาใช่ไหมข้าวหน้าไก่มันก็ต้องขายอะไรขายข้าวหน้าไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ลูกชิ้นไก่แล้วก็เกาเหลาไก่แล้วก็สั่งผลไม้มาด้วย แต่ปรากฏว่าเขาดันเอาเข้าวหน้าเป็ดมาให้เกาเหลาเป็ดแล้วก็ลูกชิ้นเป็ดแล้วก็ผมลผลไม้นี่ก็ยังติดเส้นผมมาด้วยสองสามเส้นเนี่ยไอเรา <c oughs> มาหวังว่าจะกินข้าวหน้าไก่แต่ได้ข้าวหน้าเป็ดอย่างเงี้ยไอเป็ดนี่เขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยแต่เราจะไปเซ็งเขาอย่างเงี้ยมันจึง <c oughs> มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไปดูหน้าร้านอีกทีอา้าวนี่มันร้านข้าวหน้าเป็ดนี่เราเข้ามาผิดร้านเหมือนกันถ้าคุณอยู่ในสังสารวัตรนะ ถ้าเรายังอยู่ในสังสรารวัตนะเราจะไม่มีทางได้สิ่งที่เราหวังคือหมายความว่าหวังสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นจะมีความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังสักวันหนึ่งแน่นอนสมมุติว่า <c oughs> อาตมาหวังว่าตัวเองจะไม่ป่วยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเราอาจจะดูแล <c oughs> สุขภาพของเราดีดีดีดดดนะจนกระทั่งไม่ป่วยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องตาย นะเพรา ะ, ะนั้นไอ้ความตายเนี่ยจะเป็นตัวที่พระพรากอาตมาไม่สามารถให้มาดูแลสุขภาพของเราให้ดีสุดท้ายได้แล้วยังไงมันไม่มีทางเป็นไปอย่างที่เราหวงังมันต้องมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นการที่สัตว์เนี่ยจะได้สิ่งหวังว่าสังขารที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างคุณอยู่ในสังสารวัตเนี่ยคุณก็ต้องเข้าต้องได้อย่างที่มันเป็นอนะ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย คุณไปเข้าร like ้านเข้าหน้าเป็ดคุณก็ต้องได้เข้าหน้าเป็ดแต่คุณจะไปสั่งเข้าหน้าไก่มันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอสิ่งต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าแทนที่เราจะไปแก้สิ่งภายนอกใช่ไหมเรามาแก้ที่ใจของเราแก้ที่ใจตรงที่ว่าถ้าข่าวเดียวกันสิ่งเดียวกันทําให้คนอื่นทุกหรือทําให้คนอื่นสุขถ้ามันทําได้ทุกทุกคนจะต้องสุขจะต้องทุกข์เหมือนกันแต่อย่างนี้มันไม่ใช่แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ภายนอกมันต้องอยู่ภายใน เราจะจัดการกับจิตของเราอย่างไงนะให้มีความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องภายนอกจะเป็นยังไงนี่คือประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้เนา ะ, ะ, ะการที่จะจัดการจิตของเราเนี่ยให้มันมีความสุขอยู่ได้ในเวลาที่เราต้องการเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีเอาไวา้ น, น, นั่นก็คือวิธีการทำจิตให้มีกําลังเวลาจิตที่มีกาลังเนี่ยมันเหมือนกับรถที่มี ความแข็งแรงอย่างรถถังอย่างนี้นะรถถังนี่คุณตื่นใจขับไปไหนนี่มันไม่ต้องกลัวใครขับไปถนนนี่ <Okay. S 1> ใครจะมาชนตุ้มฉันไม่แคร์เลยฉันนิ่งเลยด้วยความที่มันเป็นรถถังนะรถคนอื่นมาชนอะไรจะตกใส่ไม่กลัวนั่นะจิตคือเนื่องจากว่ารถถังมีกําลังมากจิตของเราเหมือนกันเราต้องจิตฝึกจิตของเราเนี่ยให้มีกําลังไม่ว่าอะไรจะมากระทบอย่างเช่นสิ่งนี้มากระทบทางตาในะรูปภาพที่เราไม่พอใจ ข่าวนี้มากระทบทางหูข่าวที่เราไม่พอใจนะถ้าจิตของเรามีกำลังเนี่ยมันจะไม่เสเทือนมันจะไม่ถูกดันให้ไปทางนู้นทางนี้ตามสิ่งเหล่านั้นนะคนที่จิตมีกำลังอย่างเนี้ยจะเป็นคนที่มีความสุข ไ, ได้นะความสุขในภายในจากการที่ไม่ต้องเลื่อนไหลไปตามสิ่งต่างๆภายนอกนะสิ่งที่มาจะทำให้จิตของเรามีกำลังได้เนี่ยนะ มันก็มาจากการที่จิตของเราจะต้องมีความสุขมีสมาธินั่นเองการที่จะฝึกจิตให้มีความสุขมีสมาธิได้เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่มี ส, ok, สติอยู่ตลอดเวลาการที่จะมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่แค่ที่ปลายจมกูกเอเวลาที่เรามามีสติอยู่ในลมหายใจของเราเป็นต้นเนี่ยจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีกาลังเป็นจิตที่มีสมาธิก่อน จิตที่มีสมาธิเนี่ยจะทําให้จิตของเรามีกําลังพอมีกําลังแล้วเนี่ยไม่ไหลไปตามสิ่งภายนอกเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความผาสุขอยู่ได้แม้สิ่งภายนอกจะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะทั้งในทางที่เราชอบหรือทางที่เราไม่ชอบก็ได้คือต้องทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึน่งว่าถ้าสิ่งที่เราชอบเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทําไมเราถึงจะไปไหลไปตามเขาไม่ได้ให้มีความสุขไม่ได้นะเพราะว่ามันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าอะไรที่มันดีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ มันจะมีความเสี่ยงต่อการที่มันจะเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปโดยอย่างอื่นอย่างกรณีของอยุคตัวอย่างเช่นเรามีรถสักคันหนึ่งเมื่อก่อนไม่มีรถเนี่ยต้องเดินเอาไปไหนนั่งมอเตอร์ไซค์หรือเดินเอาไปขึ้นรถเมลไปแต่พอมีรถใช้รถไปได้สัก2ปี3ปีแหมมีความสะดวกสบายมากจนกระทั่งใช้รถไป5ปีจนกระทั่งใช้รถไป10ปีเนี่ยมีความคุ้นเคยกับการใช้รถแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนนี่มันต้องใช้รถตลอด ถ้ารถเสียรถพังหรือว่ารถมีปัญหาเนี่ยจะเริ่มมีความทุกข์ทันทีจากการที่เรามีความเคยชินมีความยึดติดในวิถีชีวิตในการที่จะใช้รถเป็นต้นเนะาะพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ไหลไปตามความยินดีที่เกิดขึ้นนะให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่อยู่สบายๆนะเป็นจิตที่มีกำลังอยู่ได้ซึ่งประเด็นในที่นี้ก็คือว่าให้คุณมีสตินั่แหละ แล้วมีสติแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจสติเนี่ยถ้าทำความเข้าใจให้ถูกเนี่ยหมายถึงการระลึกได้คือนึกได้นั่นเองจำได้อย่างเรานึกถึงทางกลับบ้านนึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่นึกถึงหน้าลูกนึกถึงหน้าคนนั้นคนนี้เนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานการนึกถึงตรงนี้คือสติคือความระลึกได้ซึ่งในกรณีนี้พุทธเจ้าให้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงลมหายใจคุณจะระลึกถึงลมหายใจก็ได้ หรือว่าคุณเดินผ่านไปต้นไม้โพอา้านึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ เ, เห็นรูปครูบาอาจารย์จะนึกถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นสังขารนุสติได้เห็นต้นไม้โพนึกถึงพุทธานุสติก็ได้เห็น เ, เราอยู่ในสถานการณ์ที่จะผิดศีลได้อย่างเงี้ยจะไปฆ่าเขาจะพูดโกหกถือไมโครโฟนอยู่เอ๊ะจะพูดโกหกเออฉันไม่ทําดีกว่าเป็นสิ่งไม่ดีอันนี้ก็สีลานุสติละลเราระลึกได้ว่าเราเป็นคนมีศีลอย่างเงี้เป็นตนนะหรือรมีมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งอ่ะที่บ้านเขาอยู่ที่หนองหานตรงเนี้ยนะ เขาก็มีครั้งเหนือธรมาได้มีโอกาสไปที่บ้านเขาเขาที่บ้านเขาเนี่ยจะมีผนังของเขาเนี่ยจะมีกระดาษแผ่นใหญ่มากเลยคุณตนใจแล้วเขาก็จดไว้หมดเลยนะว่าเขาทําบุญไปที่ไหนบ้างบริจาคที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่สร้างเจดีย์วัดนี้สี่พันบาทสราบุญงานกระถินที่นี่หนึ่งหมื่นบาททําวันนีหนึ่งแสบาทจัดจดไว้หมดเลยนะเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าฉันทําบุญสร้างโดยการให้ทานเนี่ยที่ไหนบ้างอันนี้ก็เป็นจารการอุสติ คือสติในการระลึกถึงการให้การบริจาคของตัวเองเรานึกถึงเรื่องพวกนี้เราจะมีความสบายใจนะอย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันทำให้เราไม่สบายใจเนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่มันทำให้เราไม่สบายใจไอคนนี้มันด่าเราทำให้เราช้ำอย่างนี้นึกแล้วก็เอามีดทิ่มหัวใจตัวเองอยู่เรื่อยมันม่ใช่ไม่ถูก <Okay. S 1> คุณจิตคุณเล่นไปตามความระลึกที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาสติพเรามีมิจฉาสติคุณตนใจมันจะมีะมิจฉาสมาธิ มีมิจฉาสมาธิเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเราจะมีแต่ความทุกข์แล้วก็จะจมปลักอยู่ในความทุกข์ร้องไห้จกนกระทั่งตาไม่มีน้ําตาออกมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายทุกข์สัทีเพราะเราทําไม่ถูกไงเราก็คแค่ไประลึกถึงเรื่องดีๆมีลมหายใจเป็นต้นมีพระชาติเป็นต้นมีพระธรรมมีพระสงฆ์ถ้าพูดภาษาศัพท์เทคนิคนะเขาก็ใช้คําว่าพุทธานุสต an ิธรรมานุสติสังขารนุสติอาปาณาปานสติอะไรพวกเนี้ก็แค่เรานึกถึงให้ถูกเท่านึง นะเป็นผู้ที่มีสัมมาสติเนอะหรืออย่างเวลาที่ในตกอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าเราเป็นผู้ที่มีสติเนี่ยนะคุณเตือนใจเวลาเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความอดทนเนี่ยอย่างเวลาออกไปช่วยคนอื่นเนี่ยโอ้แดดร้อนมากเลยแล้วก็บางทีไม่ได้กินน้ํามีน้ําหยุดเต็มไปหมดน้ําก็กินไม่ได้นอะน้ำที่เอาไปก็ต้องไปให้คนอื่นเขาเราก็ต้องอดนะข้าวก็อาจจะไม่ได้กินกลับก็ดึกน้ําก็กัดเท้ารองเท้าก็กัดหนังอีก มันก็ต้องมีความอดทนแตนะถ้าเราระลึกถึงความดีที่เราทำอยู่เป็นอุปสมานุสตนะิคือเราเป็นคนดีนี่ใช่เรานึกถึงความดีที่เรากาลังกระทำอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นกําลังใจให้เรามีความอดทนอยู่ได้นะสติที่เรามีตรงนี้ไงคุณเตือนใจมันจะเปลี่ยนมาเป็นความอดทนได้ สติที่เรามีอยู่ตรงนี้เวลาเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนการมาเป็นความสงบสงบเงียมเวลาเจอสถานการณ์ที่จะต้องมีการแก้ไขมันจะเปลี่ยนเป็นความคิดสร้างสรรค์เวลาเจ อ, เอพ่อแม่จะเปลี่ยนเป็นความนอบน้อมกระตันยูกกระดาษเวทีเวลาเจอเพื่อนร่วมงานจะเปลี่ยนเป็นความรักใคร่สามคัคคีอย่างนี้นะเพรา ะ, ะนั้นเรามีสติ <c oughs> อยู่ตลอดระลึกถึงสิ่งที่ดีๆในชีวิตเราที่ผ่านมาใช่ไหม เ, เรื่องการให้ทานก็ตามเป็นจากการดูสติได้ถึงพระพเจ้าด้วย พระพุทชาตเป็นที่พึ่งอันนี้พุธานุสตินึกถึงครูบาอาจารย์ใครเอาธรรมะใดๆมันใคร่ครวนก็เป็นสังกานุสติธรรมานุสติสตินี่แหละคุณเตือนใจเอ้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าโอ้ยธรรมาพูดทั้งชีวิตก็จะพูดแต่เรื่องนี้แหละอเจ้าค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมเจ้าค่ะที่<ช>ว่าถ้าเรามีสติอยู่กับตัวแล้วก็ ร, รึกถึงแต่ในสิ่งที่ดีแม้ว่าเราจะตกอยู่ในสภาวะาที่อาจจะเป็นทุกข์ยาก อ า, อาจจะเกิดจากอุทกภัยอย่างที่หลายๆท่านยังประสบอยู่แล้วก็ยังดำรงอยู่ในทุกวันนี้ที่ว่ า, าหลายๆท่านอาจจะสูญเสียบ้านไปแล้วก็ต้องเป็นผู้อพยพไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางคนก็หลายท่านอาจจะได้กลับบ้านแล้วแต่หลายท่านก็ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ า, ากลับไปก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คงจะต้องมีสติตั้งมั่นแล้วก็มองในทางที่เป็นด้านบวกใช่ไหมเจ้าคะอาจจะมองว่า แน่นอนรัฐบาลต้องต้องช่วยเหลือนั่นเจ้าค่ะอาจจะช้าบ้างอะไรต่างๆแต่ว่าแน่นอนว่าทางรัฐบาลเองก็มีความตั้งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือเราก็อาจจะมองไปในแง่ดีที่ว่าเอาละ่ะบ้านเดิมเราอาจจะอพอดีอยากจะปลูกใหม่หรืออะไรอย่างนี้ก็พอดีเกิดเหตุการณ์นี้เราก็ได้บ้านใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราต้องการอ ม, มองไปอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะในเชิงบวกอืมอันนี้ก็มองได้แง่นั้นก็ได้ก็ถ้าทําให้เรา เป็นจิตที่มีอยู่ในแดนบวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ทีนี้ว่าในการที่เราจะอย่างเวลาที่เรามีสติเนี่ยนะในการที่จะระลึกถึงความช่วยเหลือที่จะมาหรือว่าระลึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่มันดีขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกับดักอยู่ตรงนี้ไงคุณเตือนใจว่าถ้าเราไประลึกถึงอย่างเช่นว่ามีสติในความสุขบ้านเดิมๆที่เรามีอยู่นะโอ้ฟุตเนเจอร์เราวางอยู่ตรงนี้เพิ่งทําบ้านมาใหม่เลยเยี่ยมอ่องไปนึกถึงอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นความเป็นการระลึกถึงในกาม นะความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งจะไม่ถูกยี่ตามให้เราทุกหนักหรือเราไประลึกถึงความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มาอย่างเงี้ยหรือมันมาช้าหรือมันมาแล้วไม่ได้อย่างที่หวังอาตมาจะบอกให้คุณไปพึ่งคนอื่นไม่ได้หรอกความช่วยเหลือจากคนอื่นนะอาจจะมาหรือไม่มาเราไม่รู้อาตีชว่ามันมันมาหรือมันไม่มาถ้ามันไม่มาเราจะทํายังไงเราต้องช่วยเหลือตัวเองถึงแม้มันจะมานะเขาก็ไม่ได้มาช่วยเหลือจิตของเราได้ เขาจะไม่อย่างรัฐบาลเนี้ยเขาไม่สามารถมาแหวกอกเดาได้แล้วก็ปรับนะอเธอคิดให้ดีนะเธอคิดให้ถูกนะทําไม่ได้อัตมายังทำไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้เลยมาแวกอ ก, อกแหวกสมองแล้วก็เอาคิดอย่างนี้อย่าทําอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นจูนปรับจูนให้ดีมันมันไม่ใช่เครื่องยนต์นกลไกเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือตัวเองในการที่รักษาจิตของเราเองเรื่องสิ่งภายนอกนะก็ให้มันเป็นไปตามเหตุอ่ะถ้าเขาช่วยเราก็รับถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ต้องค่อยแก้ไขไปแต่คนที่จะมีจิตแก้ไขสิ่งที่ ไม่ดีให้ดีได้นี่นะจิตเราต้องรักษาของเราเองเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพึ่งคนอื่นในการรักษาจิตของเราใช่ไหมไม่เราพึ่งตัวเองในการรักษาจิตของเราด้วยการมีสตินะนึกถึงความดีความงามของเราอย่าไปนึกถึงเรื่องการในอดีตนะอย่าไปนึกถึงความสุขที่เคยมีมานึกถึงความดีที่เราเคยทํานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงลหมหายใจนึกถึงสิ่งดีๆนะที่เป็นความดีที่เป็นคุณธรรมทางใจไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเปี่ยน จะทําให้เราฝ่าฟันพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ก็คือมองไปข้างหน้าถูกไหมเจ้าคะในขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันก็ทําตัวเองหรือว่าคงสติไว้คิดถึงสิ่งที่ดีๆ อ, อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าคะในขณะเดียวกันก็คิดในแง่บวกแล้วก็มองไปข้างหน้าโดยการที่ยึดาการพึ่งตัวเองเป็นหลักที่สุดไม่ต้องไปวางพึ่งพิงคนอื่นแต่ถ้าได้ ก็จะช้าจะเร็วอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ต้องปเปิ่นทุกใช่มัไยเจ้าคะก็วางเฉยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไปให้ดีที่สุดนะเจ้าคะจึงจึงจะขอสรุปในประเด็นตรงนี้ว่าเรามองไปข้างหน้าแล้วเราคิดทางบวกแล้วใช่ั้มเราก็จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยจะมองไปข้างหน้าได้จะคิดทางบวกได้เนี่ยเราต้องมองในจิตของเราเองเราต้องมองดูในจิตของเราเองเราถึงจะมีความสามารถในการที่จะมองไปข้างหน้ามีความสามารถในการที่จะคิดทางบวกได้ คนที่มองไปในจิตของเราเองนี่แหละคือผู้ที่มีสติระลึกถึงจิตของตัวเองเป็นผู้ที่มีสติรักษาจิตเราจะมีความสุขอยู่ได้ทุกขณะเลยคุณเตอนใจและเราไม่ต้องรอว่ า, าต้องให้ใครมาทํำยังไงกับเราเราจะมีความสุขได้อยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจของเราแน่นองอืมเจ้าค่ะอันนี้ถือเป็นคําแนะนําที่โยมคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่กําลังประสบ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยหรือว่าผ่านพ้นอุทกภัยมาแล้วเป็นการเรียกสติได้อย่างดีนะคะเป็นแง่คิดที่ดีมากๆที่รายการธรรมารับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเด็จพระกุหลาบหลวงพ่อเศเจริญสะอาดที่โต๊โสท่านเจ้อาวาวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีได้ฝากไว้ในรายการธรรมารับปรุณของเราในเช้าวัน เสาร์ที่29พฤศจิกายนวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาจากกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนเรามาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มตั้งแต่เวลาตีห้าเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับในเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนโพร้อมกันนะคะท่านผู้ฟังคะกราบนมัสการกราบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรสาธุเจ้า่ะ